ถ้าหากทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆนะการปฏิบัติจะง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วด้วยอย่างที่ท่านบอกถ้าทำถูกต้องนะเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอนะไรเนี้ยมันต้องมีผลบ้างอาจจะไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ผ้านาคาเหมือนในพระเตปรดกพูดอินรีรุ่นเปนพวกเรามันอ่อนลงอย่างน้อยโซดาอะไรมันก็น่าจะได้บ้างนี่ถ้าหากเราไม่ได้ทาตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่แ ว, ว่าอ้างพระพุทธเจ้านะ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 ต้องสังเกตเอาไม่ใช่ทํากรรมฐานตามเพื่อนอย่างเพื่อนเขาพูดโธนะเราก็จะพูดโธกับเขาเพื่อนเขาดูพองยุบท้องพองยุบก็จะพองยุคกับเขาอย่างนี้ตามตามกันไปเงินไม่ได้ผลกรรมฐานจริงๆเนี่ยทางใครทางมันนะในหลักการปฏิบัติเนี่ยจะต้องตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ในขั้นลงมือทําเนี่ย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 เก้าสิบกว่าปีไม่มีใครยุ่งไม่มีคนรู้จักเวลาไปเรียนกรรมฐานกับท่านนะท่านจะนั่งเงียบๆนะหลับตาเงียบไปเป็นชั่วโมงเลยพอลืมตาขึ้นมาก็จะสอนสั้นๆสั้นนิดเดียวประโยคสองประโยคนั้นไม่มากกว่านั้นหรอกถ้าเราไปทําอย่างอื่นนะแทบล้มแทบตายไม่สําเร็จวันหนึ่งกลับมาทําอย่างที่ท่านบอกนั้นได้ผลอย่างรวดเร็วเลยคือครูบาอาจารย์ที่สร้างบารมีมาในด้านเนี้มันหายาก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 ต้องสังเกตเอาเองนะอย่าทากรรมฐานตามเพื่อนอย่าทำกรรมฐานเพราะว่าชอบอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้พองยุบคนนับถือมากเราก็เอาบ้างถ้าจริตนิสัยเราไม่เหมาะกับพองยุบนะทําไงก็ไม่ได้หรืออาจารย์นี้ท่านพุทโธเราชอบนะดูท่านเคร่งครัดผีชอบเราไปหาพุทโธแล้วมันไม่ตรงจริตมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน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 ถูกมนุษย์จับไว้ถูกมนุษย์จับไว้เน่าในหรือถ้าจิตใจของเรานะยึดอันโน้ยึดอันนี้ติดดีติ ด, ด, ตดชั่วนะติดสุขติดทุกข์หรือไปสร้างพบขึ้นมานหนึ่งพวกเรานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะแอบไปสร้างพบขึ้นอันหนึ่งว่างๆแล้วก็น้อมใจให้ไปอยู่ในว่างๆนั้นนะแล้วก็คิดว่าเป็นพระอรหันนะอย่างนั้นมันหันไปหันมาแล้ว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 ในลูกในเมียในสามีปัญญาอะไรเงี้ยในเพื่อนฝูงในพวกเข้าวัดด้วยกันใจเราห่วงหน้าห่วงหลังไหมห่วงหน้าห่วงหลังนะก็ยังไปไม่ ไ, ไม่ไหวยี่งต้องสารวจสารวจหรือติดชื่อเสียงเกียรติยศเนียติย ด, ยตดอมนุษย์กลุ่อมนุษย์จับไว้ชื่อเสียงเกียรติยศอยากดังอยากเปน็นอาจารย์กรรมฐานอะไรเงี้ยนะอยากดังอยากใหญ่อยากให้คนยอมรับนับถือ ยากได้ลาบสักการะเนี่ยอมนุษย์จับเอาไว้แล้วเนี่รวจตัวเองนะสํารวจไปถ้าเราไม่เป็นมีอุปสรรคเครื่องขัดข้องเหล่านี้เนี่ยหรือเรื่องน้ําวนก็คือกามจิตเรายังเพลิดเพลินพอใจในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไหมเพลิดเพลินในการดูเพลิดเพลินในการฟังเพลิดเพลินในการกินเพลิดเพลินในการนอนนี่กามทั้งนั้นน่ะ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 ทุกค่ายทุกสํานักนะล้วนจะบอกว่าทําสติปัฏฐานทั้งนั้นนหะถามว่าเราทําตรงที่พระพุทธเจ้าบอกหรือเปล่าไม่มีใครพูดนะไม่กล้าพูดด้วยนะกลัวว่าจะอักตันอยู่กับอาจารย์อย่างการหายใจอย่างอานาปนาสติถามว่าพวกเราที่ฝึกอนาปนานสติทําตรงที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าส่วนใหญ่ทําไปตามที่ฤษีชีปลายสอนไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอน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 ถ้าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ในยุโรปท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายนั่งเก้าอี้หลังตรงๆจะพูดอย่างนี้จะเปลี่ยนไปนี่ถ้าพูดกับคนนั่งคื้นก็บอกภิกษุทั้งหลายนะให้คูบันหลังนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงๆไว้ดํารงสติเฉพาะหน้าหมายถึงรู้สภาวธรรมที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าสภาวธรรมอะไรที่ปรากฏเฉพาะหน้าในขณะที่ทําอานาปนสติก็ลมหายใจนั่นเอง ท่านสอนบอกว่าพิสูจนทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้าอย่างหายใจออกสั้นให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้หายใจเข้าสั้นเริ่มจากหายใจออกก่อนนะสังเกตให้ดีท่านให้หายใจออกก่อนส่วนเราทั้งหลายที่ทําสังเกตไม่หายใจเข้าก่อนจอนจะพองหนอใช่ไหมก็ต้องหายใจเข้า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 โดยการหายใจเนี่ยท่านหายใจท่านไม่ได้บอกว่าหายใจมีกี่ชังหวะนะหายใจก็หายใจธรรมดาหนี่งหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปหายใจออกก่อนเนี่ยใจจะเบาใจจะสบายใจจะนุ่มนวลถ้าหายใจเข้าก่อนนะใจจะแข็งใจจะกระด้างภาวนาต่อไปไม่ไหวเราหายใจออกใจนุ่มนวลนี่พวกเราที่หายใจเราชอบถามว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนเริ่มถามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนล้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 นี่อนาปนานสติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะหรือคนไหนรู้อิริยาบถสยืนเดินนั่งนอนอย่างที่พวกเราชอบรู้กันนะั่นเราจะไปเพ่งกายทั้งกายหรือจะขยับมือเราจะไปเพ่งใส่มืออันนี้อยู่ในสัมปชัญญะบัพเพ็ล้ไหวเคลื่อนไหวก็รู้สึกเราก็ไปเพ่งใส่มือเวลาเดินจงกรมยกเท้ายั้งเท้ามีจังหวะใช่ไหมหกจังหวะบ้างเจ็จังหวะบ้าง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 สิ่งที่ได้มาคือสมถะกรรมาฐานเดินไปแล้วตัวลอยนะตัวเบาตัวโครงเดินแล้วมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเดินแล้วผนลุกผลพองรู้สึกวู้บู้บ้าบ้ า, บาเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นวิปัสนาญาณไม่ใช่ญาณญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือปิติทําไมเกิดปิติขึ้นเพราะว่าไปทําสมถะเข้าไม่ใช่วิปัสนา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 หลวงพ่เทียนเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดลงหนึ่งเลยที่หลวงพ่อเคยเห็นเป็นพระที่อัศจรรย์มากนะภาวนาสามเดือ น, อนหนึ่งหลวงปู่บุตรดาว่าภาวนาเร็วนี้นะ 4, สี 4, ส่พันษาสี่พรารุ่นหลังๆนี่ที่ภาวนาเป็นจริงๆนะยี 20, 30, ่สิบสามสิบปีเริ่มหย่อนๆย่อนย่อนลงมานะถ้าขยับเนี่ยมีสติระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหว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 เนี่ยอะไรที่มันขัดมันแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยต้องเรามาระวังพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเวลาขยับมือเวลาเคลื่อนไหวเวลาคูุ้เวลาเหยียดเนี่ยให้เพ่งให้กําหนดทั้นบอกว่าพิสูจทั้งหลายเมื่อก้าวไปนะก็รู้สึกถอยหลังมาก็รู้สึกใช่ไหมเหลียวซ้ายแลขวาก็รู้สึกเ น, นี่ยจะคลองผ้าสบงจีวรสังฆาติเนี่ยจะขยับไม้ขยับมือรู้สึกรู้สึกก็คือมีสติรู้สึก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 ได้แต่ข่มกิเลสเป็นคลาวๆอย่างบางท่านภาวนานะี่ยังเที่ยวไล่ตีไล่ต่ อ, อยเขาไปทั่วนะ <c oughs> ถ้าภาวนาถูกต้องยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนี่เราดูเวทนาก็หลักเดียวกันดูเวทนาก็ใช้หลักกันเดียวกันมีสติรู้ลงไปที่เวทนาความปวดความเมื่อยความสุขความเฉยเฉยมีสติรู้ลงไปในกายนี่มีสองงาน ในกายมีความสุขกับความทุกข์ในจิตใจนี่มีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆด้วยเราความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ไปมีสติรู้ไปไม่ใช่ไปนั่งเพ่งให้หายเห็นไหมหลายคนสอนกรรมฐานเคยได้ยินไหมจะข้ามเวทนานั่งไปนั่งไปปวดก็นั่งไปนะ่าทนไปจะข้ามเวทนานี่อาจารย์สอนอีกแล้ว ที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรภิกษุทั้งหลายนะเมื่อมีสุขเวทนานะก็รู้ว่ามีสุขเวทนาถ้าสุขนั้นมีอามิตรหมายถึงมีเหยื่อล่อมีสุขก็าะได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ว่าสุขนั้นมีอามิ t h ถ้าสุขไม่มีอามิตรก็รู้ว่าไม่มีอามิตรสุขเองสุขขึ้นมาเองอย่างเรานักภาวนามีความสุขขุดขึ้นมาเองสุขที่ไม่มีอามิ t h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 ผิดทางของพระพุทธเจ้าเลยในการที่เร า, เ ร, ารู้เวทนาเนี่ยเราจะรู้อย่างอาง cider, ื่นด้วยที่เราจะรู้กายและจิตด้วยเพราะเวทนาอาศัยอยู่ในกายอาศัยอยู่ในจิตเพราะั้นเวทนานุปัสสนานี่เป็นกรรมฐานที่ทายากกว้างขวางครอบคลุมทั้งกายครอบคลุมทั้งจิตครอบคลุมถึงตัวเวทนาครอบคลุมถึงเหตุที่เกิดเวทนานั้นด้วยเฉะนั้นเวทนานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่ทายาก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 งั้นอย่างคําสอนที่กําหนดลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะกําหนดเข้าไปกําหนดเข้าไประดับเวทนามีธรรมะที่ดับเวทนาอยู่สองอย่างเท่านี้สัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นนิโรธสมบัติอันนี้เฉพาะพระอรหันต์พระนาคาที่ทรงฌานแปดถ้าไม่ได้ฌานแปดก็ไม่เข้าไม่ได้นะตัฌานแปดนั้นต้องเป็นว่าถสีด้วยอีกอันหนึ่งที่ดับเวทนานะคือพรมลูกฟัก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 แต่รู้สภาพความเป็นจริงของเวทนาจนไม่ยึดถือกายไม่ยึดเวทนาไม่ยึดถือจิตถึงเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอนาคาได้ไม่ยึดเวทนาไม่ยึดกายเนี่ยภูมิของพระอนาคาไม่ยึดทั้งหมดเลยนั่นเป็นภูมิของพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็เวลาจะพักก่อนท่านเข้านิโรธสมาบัติดับเวทนาได้นอกนั้นไม่มี